พโหเหนื่อยจนพูดกับเพื่อนออกว่าเฮ้ยอกกวมึงแล้ ว, วอ่ะอย่าอย่ามาแบบนี้เลยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ hey, ยข น, น, นลุกอนนี้ขนลุกเออ อ, อย่างนี้เลยนไม่เคยลืมเลยเสียเนี้ยทาเป็นล้อหลอกใช่ปะ่ะอือเสร็จพี่ก็สวดมนต์คาถาของหลวงพ่อภาษีที่เคยสวดตั้งแต่สมัยเป็นเด็กวัดอ่ะอ่อเออแค่ขึ้นชื่อว่าอิติสุขโตก็ ก, ก็หลุดเลย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 เชื่อไหมทันทีที่ทันทีที่เห็นนะขยับไม่ได้เลยอพี่ออสเห็นมันนั่งอยู่ที่ปลายเท้าอ่แะแล้วใจมันก็คิดไปไงคิดว่าเฮ้ยมึงใช้มึงจริงด้ีกว่ามึง โ, โอหกลักลัวมึงือ ม, มึงอี่ามาสภาพนี่เลยว่ะเพื่อนกลกลัวมึงอมพอคิดได้เนี่ยมันก็เด้งปึ่งจากตรงนั้นมานั่งสะโพกพี่ออสอ่ะเดี่นนะ น, นั่งสะโพกอันนี้พี่นอนตะแคงใช่ไหม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 ที่ประตูทางขึ้นนะมันมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาคือดินเสียงองเท้ากัด uh huh. เสียงวิ่งตั๊บตั๊บตั๊ตัตตต๊แล้วม uh ั huh. ก็เงียบทุกค น, นก็หยุดหยุดแตะบอลย่า uh huh. เพราะว่ากลางคืนมันไม่มีใครอ uh huh. เออเราก็มองไปแต่พอเห็นอีกทีมันถึงตัวเราแล้วนะทือ uh huh. เรามองไปที่ประตูเนี่ยมันไม่มีนคนแต่พอเราแค่คติ๊บตาที๋เดียว uh huh. มันเหมือ น, น <laughs>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 กา่งใส่หน่องเล่มแขนแต่ตัวเรียบร้อยแต่วันที่มันขึ้นมาแต่งตัวครบทุกอย่างแต่รองเท้าไม่มีแล้วก็เสื้อไม่ใส่กระดุมปลอนเสื้อแขนยาวไม่ใส่กระดุมสักสักเม็ดเลยมิ่งเข้ามากอดกันพอดีพี่ก็บอกเฮ้ยเอกมึงตายไปแล้วนี่หว่าแล้วเพื่อนพี่อ่ะชี่ออ่อือกก็ผ่าตัวมาจะปีนนิดนึงแล้วก็บอกว่า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 บ้านที่บ้านเพื่อนอ่ะเป็นพื้นสายพอเทเล่าลงพื้น่อนานั้นลมมันมาเป็น ห, หูมาเป็นเกียวเลยแล้วสิ่งที่มากัอลมอ่ะมันมีนกลิ่นเหม็นนะ่ะพ อ, อพอมันมาลมมันมาถึ ง, ถงโต๊ะแล้วมันกลิ่นมาทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ปึ๊บเข้าบ้านเข้าบ้า น, าานไม่อยู่เลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยใช่วงเวงนี้คือแตกกระจายใช่วงแตกไะ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 ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมา <c oughs> ใช่ไหมคะโดยปกติตกส่วนตั ว, ตวแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณเรื่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะพม่เชื่อนะเชื่อร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่ <c oughs> พพพมีเซนนะ <c oughs> ถ้าไปที่ไหนหรือว่าเราเราเจออะไรเนี่ยเรารู้ทันทีนะ <c oughs> ด้วยสักดิ์ทธิ์ญาณของคนเรามันมันบอกได้ออื <c oughs> <c oughs>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 ไปที่วันที่บ้านแฟนแล้วก็นอนค้างคืนหนึงแล้วก็หลังจากคืนนี้แล้วก็จะไปต่อที่อื่นแล้วก็เข้าไปไหวแ้แต่เล่าเล่าตั้งแตต้นว่าตอนที่ขับรถเข้าไปในบ้านเขา อ, อ่ะพอตอนทีที่รถเข้าไปจอดในใจ้าบ้านเขาอ่ะแฟนพี่ก็ลงไปทักทายกับที่บ้านอาเสร็จปุ๊บพี่ก็เตรียมตัวเก็บของอ่ะพี่ก็ลงจากรถก็เก็บของจะลงจากรถได้ปุ๊บเปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บกลิ่นน้ํามันจันทร์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 ห้องปราถิบ้านกั่นแหละเออไปบอกบอกพระพุทธเจ้าธรรมสง่์บอกเจ้าที่เจ้าทางแต่เราก็เหมือนกับว่าเรากลัวแต่เราเหมือนท้าทายด้วยจริงๆแฟนบอกอก็เรียวทางบอกปู่ย่าตายายแต่เราไม่งั้นด็ก <laughs> เราเร า, เราเข้าไปไหว้แค่พระพุทธเจ้าธรรมสง่งแล้วก็ไหว้ปู่ย่าแต่ใจเราไม่ได้คิดเลยนะออืก็เหมือนท้าทายอะ่ะแล้วก็มานอนที่มุง้งเออมานอนที่มุ้งเสร็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 หูเนี่ยได้ยินดีเลยคือเหมือนแวง<อ>นะด้วยแหละใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> uh huh. เพราะว่าหูเราฟังว่ามันมีอะไรรอบตัวเรา uh huh. คนเราอะนะเวลาเดินที่พื้นอนะเวลาก้าวขาเนี่ยเรารู้นะว่าไข่ตัวสูงไข่ตัวเตี้ย uh huh. ทีนี้เขาก้าวขา ย, ยาวก้าวขาสามครั้งอสามก้าวก็มาอยู่ที่ปลายเท้าพี่ uh huh. ทีนี้พี่ก็เ้ย hey, ครว่วะ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 พี่ก็กขาขวาขึ้นเลยค่ะไอ้ลักษณะชันมันลักษณะแบบจะปีเขา่า uh huh. ซึ่งขาขวาขึ้นแล้วขามันชันขึ้นไงอื uh huh. ขอาะขาชันขึ้นเสร็จปุ๊บตาแม่งหรือไม่ขึ้นพี่ก็เออพี่ก็เอาแล้วคิดในใจว่าอย่านะองกลัวเดี๋ยวพวกจะไปแล้วครับผมแค่มาขอทอนแพ็กกินเดียวอออื uh ื huh. ผมเราเราก็บอกว่าผมไม่ได้มารบหลูกออื uh huh. แค่พูดเราแค่คิดในใจแค่นี้นะ่ะอ uh ื huh. กินนะ กลิ่นเน่าแบบหูค hmm. ุ้งทั้งน่้ตลายเท้าขั้นมาหน้ายอดอ่ะอืมเออชัวมงนั้นนะบทสวดมนของหลวงพ่อภาิคือเลิกเหม็นมันกลัวจนแบบว่าคือกลัวจนนึกไม่ออกจะลืมสวดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลืมบทอะไรอย่างงี้ใช่ไหูท่าไปูสภาความเหม็นไม่ออกนะเราไปอยู่ตรงหมาเน่าอ๋อเหม็นแสบจมูกเหม็นฉุนเลยแหละเหม็นมากเลยอ่ะฮะแล้วก็เราก็ํำรูปของปู่รูปขคุรูปของครูบาอาจารย์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 น่าแปลกนะเจอวิญญาณเพื่อนก็ตีหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วแล้วเราก็นอนไม่หลับเพราะกลัวจะโดนซ้ำสองจริงเราเราแวงระวังโอ้โหลุกนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกเดี๋ยวผุดลุกผุดนั่งใช่ไหมเอออ่าจนจนรู้สึกตัวว่าเราหลับไปแล้วตื่นมาตอน